จึงไม่ยินดียินร้ายไปตามโลกธรรมทั้ง8ปดอริยาสาวกที่เป็นพระอาเสขาบุคคลคือผู้ไม่ต้องศึกษาจบปรหมจรรย์หรือพระอรหันนั้นท่านละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง8ปดได้ส่วนพระเสขาบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาหมายถึงตั้งแต่พระโซดาบานขึ้นไปแต่ยังไม่สำเร็จอรหัตผลนั้น อย่างละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง8ปดไม่ได้เมื่อเวลาโลกธรรมทั้ง8ดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเศกบุคคลกับปุตุชนนั้นจะต่างกันอย่างไรตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าราเสขบุคคลเวลาที่โลกธรรมทั้ง8เกิดขึ้นสมัยที่ท่านมีสติสัมปชัญญะ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 เวลาโลกธรรม ท, ทั้ง8ดฝ่ายข้างดีสี่อย่างเกิดขึ้นก็กำนัดยินดีหมกมุ่นผัวพันไปตามโลกธรรมนั้นหรือโลกธรรมฝ่ายข้างไม่ดีสี่อย่างเกิดขึ้นก็ยินร้ายไม่ชอบเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะปุถุชนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ทำใจไม่แยบคายความยินดียินร้ายจึงเกิดขึ้นรอบงามใจของปุถุชนนั้นได้ เศคบุคคลมีหลายจาพวกคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเวลาที่โลกธรรมทั้ง8ดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความยินดียินร้ายของพระเสขาบุคคลเหล่านั้นจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันตอบว่าก็ใครจะรู้ใจของท่านข้าพเจ้านึกว่าท่านต่างชั้นกัน จึงคิดว่าความยินดียินร้ายคงจะไม่เท่ากันตอบว่านั่นเป็นธรรมดาสังโยชน์ยังอยู่ทั้งเจ็ดความยินดียินร้ายก็มีมากสังโยชน์เหลืออยู่ห้าความยินดียินร้ายก็มีน้อยตามแบบที่เราได้ฟังมาว่าพระอาเสขาบุคคลหรือพระอาหารหันต์ละสังโยชน์ได้หมดทั้งสิบ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 ถามว่าโลกธรรมฝ่ายดีเช่นลาบยศสรนเสริญสุขสี่อย่างนี้เป็นกุศลวิบากคือผลของกุศลกรรมส่งให้ส่วนโลกธรรมฝ่ายข้างไม่ดีคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกสี่อย่างนี้เป็นอกุศลวิบากคือผลของอกุศลกรรมส่งให้ใช่ไหมตอบว่าใช่ถูกแล้ว